ر ض ي ٍ بالله ربّا وبِالإِسْلَام د ِ ي ن ا و َ ب ِ م ُ ح َ م َّ د ا ل ر َ س ُ و ل َ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ا ل ك َ س ِ ل ِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ و ع َ ذ َ ا ب ٍ فِي الْقَبْرِ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَعَافِنِي فِي ب َ ص ر ِ ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه وربا نفسه و ز ة ه, و ه. وم, ه ن ة أرشه ومداد كلماته يحيو ا بيوم برحمةك أستقيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين حسب يالله ونعم الوكيل السلام عليكم و ر ح م الله وبركات ฮามดุลิลลาพี่น้องที่ร่วมนมาสยซูบุกที่มัสยิดอัวนวาลิซุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการทับซีอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านวันนี้พี่เฉลิมเปนะ็นอเมซนะอเมซทับซีมานมาร่วมกับเราที่มัสยิดอะฮามดุลิลลาแข็งแรงจําไม่ได้นุมก็กล้า ให้กำลังใจก่อนนะครับคนที่จัดให้มีการอบรมจะเป็นที่ไหนก็าตามทั่วโลกคือต้องการจะให้อิสลามเนี่ยหรือว่าคุรานหนึ่งอายะฮ์ฮะดิษของท่านนบีสักหนึ่งบทเนี่ยเข้าไปอยู่ในในหัวใจของคนนคนที่จัดเนี่ยนะ จะเป็นกี่คนก็ตามแต่รวมกันจัดนี่นะน บ, บีขอดอาให้ให้คนที่จัดเนี่ยคำขอของดอาน บ, บีเนี่ยขอไว้ก่อนตายนัดดารัลลอฮฺภาษานี้ดีมากนะนัดดารัลลอฮฺแปลว่านัดดารัลแปล ว, ว่าหน้าตาสดใส โออัลลอฮ์ไดปรดประทานความสดชื ves, Milk, ่นหรือความหน้าตาที่สดใสให้แก่คนที่จัดอบรมอัลลอฮ์ดีมากเลยนะภาษาในตั้งมาตังนบีจึงขออวยให้คนที่จัดอบรมให้คนแต่เข้าใจอิสลามเข้าใจเข้าใจกุรานเข้าใจหนึ่งฮะดิษเนี่ยขออวยต่ออัลลอฮ์ได้ประทานความ สดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมพราะนบีรู้ว่าอนาคตเนี่ยคนที่สนใจศาสนามีไหมมีคนที่แอนตีมม้มีไหมมีเพื่อให้กําลังใจกับคนที่จัดอบรมเนี่นะครับคนที่จัดอบรมที่ผมเช็คเช็คมานะหลายๆที่ที่ผมไปมันย้ายนะไปไปอบรมไปสอนเนี่ยครัอบอ า, าจารย์นออ กว่าจะจัดได้เนี่ต้องต้องวิ่งเต้นน่ะต้องมีพวกน่ะทําไมมีพวกนี่จัดไม่ได้อะพราะคนที่แอนตี้เขาก็มีมีพวกเยอะเหมือนกันใช่ไหมไม่ให้จัดไม่ให้จัดไม่ให้จัดไม่ให้จัดฉันจัดหนึ่งต้องมีต้องลงทุนเยอะน่ะหนึ่งต้องมีความสามารถต้องมีพวกต้องมีนั่นมีนี่มีนี่บางทีก็ต้องมีนักเลงอีกอ่ะสองคนสามคนมีรถมอเตอร์ไซค์ขุมไม่ให้มีปัญหา ออลเลป็นนั่งศึกษาแบ็กกราวน์ของคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาเด็ดเหนื่อยเปนเหตุนี้แหละอามีเล่กว่าขออุทธร์ต่อเราตแต่ประทานความไ น, นะความสดชื่นบราระกัดกับชีวิตของเ้ากับครอบครัวของเขากับลูกของเ้ากับทรัพย์สินของเขาให้มีบราระกัดตลอดไปแล้วออ ล, ลก็รับรับดูอาพี่น้องเขาวันนี้เรามาถึงสู่เราอัลลอฟาฺในปีที่สามสิบเจ็ดแล้วนะใช่ปะ อายุสิบเจ็ดอายุสิแปดแล้วเน่ยอายุทีสามสิบแปดปีนี้นะเ<ม>พิ่งได้สามสุดเจ็ดสูรอยไม่รู้ว่าใครตายก่อนเนี่ยขอให้คนจัดอยู่ไปตลอดนะมาถึงสุรร้ออัลซอฟาตายาที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงประวัติของนบีอะไรนะจำได้ใช่ไหม นบีอีละไรยนบีม่งใจยบียูนุสอะลัยฮิสสลามนบียูนุสเนี่ยอัลลอฮ์พูดในกุเีอุปาเล่าให้นบีมุ h ั m m ฟังว่อาอาอาบาโกเนี่ยต่ว่นนีมีอยู่คนเดียวนะผมเช็คในอัลกุรอานเนี่ยนบีทั้งหมดที่มาในโลกเนี่ก็ทำมาศาสนาด้วยความลำบากด้วยกันทุกคน แต่น บ, บียูนุสเนี่ยอาบากก็หนีแล้วก็หนีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่ไปจะไปข้ามทะเลไปเลยนะจะเลิกเลิกสอนแล้วอัลลอฮไม่พอใจแต่น บ, บียูนุสเนี่ยนึกในใจว่างานนี้อัลลอฮช่วยไม่ให้พบกับปัญหาความเดือดร้อนอ า, อาบากอนในอายาอื่นอธิบายว่า น บ, บียูนุสเนี่ยเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทำให้ฉันลำบากในการหนีครั้งนี้แต่อัลลอฮ์ก็ต้องการจะบอกว่าเองเข้าใจผิดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอลงเรืออะเรือก็มีปัญหาใช่ไหมไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ในที่ประชุมในเรือบอกว่าต้องเอาคนออกคนหนึ่ง แล้วก็ไอ้คนที่ออกเนี่ยเขารู้ว่าคนที่หนีเจ้านายมาด้วยมีกระสีอยู่คนนึงพูดว่าคนที่มีหนีมาอยู่ในเรือเนี่ยเป็นคนที่หนีเจ้านายของเขาหมายถึงนะบียนนูนุ่ะนเะนีหนีอัลลอ์นะหนีหนีคสั่งของอัลลอฮ์ยังไม่ได้รับวาฮีให้อพยพอพยพไม่ได้เห็นอย่างครับอัลลอ์รู้เรื่องในใจของมนุษย์ทั้งหมดเลย เสร็จแล้วก็ต้องลงลงจากเรือคนลงเรือเสร็จแล้วก็มีอัลลอฮ์ก็เมตานะเอาอะไรมานะเอาหู้ตัวตัวปลาตัวใหญ่มากลืน่นนบียูนุษ์ลงไปในท้องปัญหานีว่าอยู่ในท้องเนี่ยกี่วันในตัฟซิดอธิบายไว้ประมาณสี่ห้ารายงานวันหนึ่งสามวันมีเจ็ดวันมีสี่สิบวันมีผมอ่านพวเมื่อคืนนี้อีก บางคนว่าอยู่สี่สี่ชั่วโมงก็มีกม็มันไม่ได้จะเป็นสี่เป็นสามเป็นเจ็ดเป็นสี่สิบวันก็ตีปาก็เอาล็อให้ปานี่คลายออกมาพอคลายออกมาเนี่ยคลายออกมาที่ไปไว้ที่ไหนที่ที่ไหนนะัที่ฝั่งใช่ไหมล่ะเป็นที่โล่งอะ่ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าที่โล่งเนี่ยพอออกมาเนี่แล้วก็ว่าหัวศักดีมุนน บ, บิโยนี่ป่วยนะออกมาจาท้องปานี่ป่วย Allah ต้องการจะรักษาอาการป่วยของนบียูนุสอ้ยนี่ยนิอธิบายครับว่อัมบัตนา عليه شجرة تميققين ว่อัมบัตนา عليه شجرة تميققين อัลฮัมดุลิลละห์นี่ Allah ให้ยามา ถึงท่านทุกทุกโรคไม่ยารักษาอาจะหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยอยู่ดขึ้นกับความสามารถของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนว่าอัมบัตนาอัมบัตตานี่แปลว่าให้งอกเงยขึ้นมาให้งอกขึ้นมาอัมบัตาแปลว่างอกเงยขึ้นมาและอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ละรูปเล่าน้ำอัมบัตนาเราได้ให้งอกเงยขึ้นมา ตัวงว่าพันไม้เนี่ยที่ขึ้นอยู่บนโลกดุงยาไปนี้ขึ้นเองหรือว่าอัลลอฮ์สั่งให้ขึ้นคนที่อ่านกูอ่านต้องเข้าใจเลยว่าอัลลอฮ์สั่งให้ขึ้นนะไม่ใช่ขึ้นเองนะต้นทั้งหมดที่เราปลูกอยู่หนะ้าบ้านเรานี่นะถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งให้ขึ้นตายนะต้องนึกเลยเนี่ยคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ย ต, ต้องมีต้องมีอัลลอฮ์เยอะๆนะอย่าคิดว่ามือชันเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลย ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกนี่ก็ขึ้นแล้วก็งามด้วยเองตะกบดอะเปลี่ยนคําพูดได้แล้วอัอนนี้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ว่าอัมบัตนาและเราอัลลอฮ์ได้ให้มีให้ให้มันให้งอกเนอยอัมบะตาแปลว่างอกเนยอะไรที่ hi, แปล ว, ว่าเอ่อรอบรอบเขาเให้ งอกอะไรครับชาญารตันต้นไม้ต้นหนึ่งให้มีต้นไม้ต้นหนึ่งงอกขึ้นมารอบๆตัวเขาต้นไม้ที่ว่าเนี่ยในคุณอ่านอธิบายต๊อเสียอธิบายว่าต้นไ่ามีอยู่สองชนิดต้นไม้ยืนต้นต้นโตๆนะนะอย่างกับต้นอะไรนะต้นมะพร้าวใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้นสักใช่ไหม ต้สกุลสแกนเนี่ยเตยืนต้นหมดและอีกอีกชนิดหนึ่งมียกักษ์กตีนแปลว่าพันไม้เรือเลยนะม้พันม า, ออนะม า, นมา ท, ที่ที่มันเลื้อยอ่อมันมีลำต้นที่มีลำต้นกับไม่มีลำต้นทอนี้ต้นการจะอธิบายว่าไอ้นี่ไม่มีลำต้นแต่มันเลือ้อยอ่าในทัฟซีตอธิบายแปลว่าต้นไม้ที่ไม่มีลำลำต้นเนี่ย ก็คือต้นอะไรนะท่านเอ่อท่านอบูฮุไรร์รได้รายงานบอกว่าเมื่อนบียูนุสนี่ถูกถูกเอาออกมาจากอะไรนะจากปลาวานใช่ไหมแล้วก็เอาไปทิ้งอยู่ที่ชายหาชายทะเลอัลลอฮ์ได้ให้ต้นยักตีนอ่ายักษ์ดินเป็นต้นมาชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้งอกออกมาเป็นต้น น้ำเต้าอ่ายักตีแปล ว, ว่าต้นน้ำเต้ า, าในภาษาอาหรับว่าอะไรนะซาจาระอดบบดุบะดุบะเนี่ยเาเช็คในในในตำสิ น, นหลายๆเรื่องมาคือต้นน้ำเต้าต้นน้ำเต้านี่มันมันมันมันงอกไวเราก็ใบไม้นี่มันเยอะใบมันเยอะแล้วมันก็จะมาคุมอ่ะคุมใคนคุมนบียูนุสนเลยี่อัลลอฮ์เมตตาเราบอก แล้วก็นบีพูดถึงเรื่องน้ำเตาวว้าไว้ว่าการอ่านนาบีอยู่ให้บุญนบีเนี่ยชอบทานน้ำเตา้าเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบหรอกแต่ผมก็ชอบเพอ่านตามนาบี <laughs> น้ำเต้านี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงและมุลลามาบางท่านอธิบายว่าน้ำเต้าเนี่ยมาแรงวังไม่ต้องเออผมอยังไม่เคยเช็คเลยนะก็ เ, เช็คว่างเราถามตอนต้อนยังไม่ต้อง เราไปเช็คดูนะน้ำเต้าเนี่ยคนแก่ๆทานดีเด็กๆทานดีและอีกอย่างหนึ่งนะต้นพืชแบบนี้แหละฟักทองฟักทองเนี่ยคนอายุหกสิบเจ็สิบเนี่ยทานบ่อยๆดีแล้วก็เด็กเล็กๆเนี่ยประมาณขวบสองขวบสมขวบเนี่ยพยานทานอะไรนะฟักทองกับน้ำเต้าเนี่ยบ่อยๆแม่บ้านต้องเข้าใจงานเนี่ยทานน้ำเต้าเยอะๆนะน้ำเต้ามันถูกนะ แล้วก็เย็นด้วยนะแล้วก็ฟักทอ้องเหมือนกันนบีชอบฟักทองกับน้าเต้าฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเล่าในคักุรอานนะเรื่องอะไรนะต้อนอะไร น, นะต้นน้าเต้าในคัมภีรกุรอานเห็นยังในเปิดเปิดแล้วเปิดให้มนุษย์รู้นะบอกว่าต้นน้ําเต้ามีประโยชน์กับนะกับชีวิตของคนคนที่ไม่สบายนบีมูซ่าไอ้นบียูนุสนี่ป่วยใช่ไหมล่ะ ให้ต้นขึ้นมาต้นหนึ่งต้นนี้มันมันจเจริญไวมันงอกงายไวแล้วมีใบเยอะมะปกุมนบียูนุสอยู่ที่ชายทะเลแล้วก็ในบีมกุมก ง, งจะทานด้วยแหละทานน้นเต้าจะทานแบบไหนเราไม่รู้เ้วยนะสุขภาพแข็งแรงหลังจากนอนอยู่ที่ชายหาดได้ไม่รู้ไากี่วันแต่ตําซีบเได้อธิบายเอาไว้เนี่ยเล่าให้ฟังนี่เล็กน้อยอร่อเล่าให้นบีมฮัมหมัดฟังนะจานั้นสั่งอุมมานาบีมุฮัมหมัด อย่าพูดคําว่าฉันนี่นะดีกว่านาบียูนุสคํานี้ไม่ให้พูดเพราะนาบียูนุสเนี่ยทิ้งงานใช่ไหมทิ้งงานาศาสนาอย่าพูดคํานี้นะถ้าจะเป็นตะคูโตเอเล็มคนทางานาศาสนาทั่วโลกเนี่ยอย่าพูดคําว่าฉันเนี่นะไม่ทิ้งงานของอัลลอฮ์ฉันไม่ทิ้งงานาศาสนาฉันดีกว่านาบียูนุสพูดได้ไหมห้ามไม่ให้พูดอยู่ในใจพอแล้ว นี่เป็น arak, มารยาทเป็นอัคลาของมุสลิมทั่วโลกจะต้องให้เกียรติบรรดานัลลทั้งหมดที่มาในโลกไม่นด้พูดตำหนิไม่ได้เลยนะครับท่านอิบนุอับบาสนิยญาตินบีอิบนีมัสอูดท่านมุจาลิอลลอฮหวานดูชันมุจาฮิดอัคริมาสาดิบนยจูเบร์วาเบบเนี่ยมุนับบาทัลฮิรานทกอตาด้อธิบายว่ายักตีนเนี่ยแปลว่าตนไรนะตนน้ำเต้า โอโ l l u าทั้งหมดที่ตับสิกกปรอาที่บอาว่าค ำ, คำนี้เป็นคำแปดที่ถูกต้องที่สุดและต้นน้ำเตายักษ์ออกตีนตกงว่าต้นมามีสองพันนะพันแบบยืนต้นกับพันอะไรนะที่มันเลื่อยนะที่มันจะเรินไอของที่เลื่อยๆในะลูกมันใหญ่นะไอยืนต้นในลูกไม่เคยโตนะถ้าลูกโตยุกนะร่วงลงมาเด็กตายก่อน ไอ้เลื้อยในพันเลื้อยนี่ลูปใหญ่นะโอ้โหข้าวทองก็ใหญ่แตงโมก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่หมดเลยนะเลยับดี๋ยวนีหลเอาต่อมากอายะที่หนึ่งร้อยสี่สิบว่าอรสัลนาห์อิลามีอัตอัลฟินอวยาซีดูน วَ่อัลสลนะฮ์อิลาِิَงะที่อัลฟَนอ ي ยสิ่งดุล <ون> อ <laughs> ัลลอฮฺอับดุลฮะมดุลลาอันนี่นักการเมืองเอาไปใช้ใช้ยังไงเดาดูต่อว่าอัลสลนะฮ์และเราก็ได้ส่งนบีอูนุสหลังจากหายแล้ว หลังจากทานอะไรน้ําเต้าแล้วนะครับจะสุขภาพแข็งแรงผงผมขึ้นหมดแล้วพออยู่ในท้องนี่ผมหายหมดเลยนะ่ะร่างกายแข็งแรงแบบเด็กออกมาจากคันมันดาแบบเดียวกันเลยออกมาจากท้องแม่ก็ท้องปลาววานมะันเหมือนกันมาดูแล ร, รักษาพอสุขภาพแข็งแรงดีเอาล็อลส่งให้ทำงานต่อว่าอร์ซาลนาหู และเราได้ทรงนบียุนุตเนี่ยหู้แปลว่าเขานะเราได้ทรงนบียุนุษเนี่ยไปไหนอิลามีอาตีไปไปที่เมืองเมืองหนึ่งนี่นะเมืองเมืองนี้เนี่ยอยู่ในประเทศอิรักปัจจุบันนี้นะเรียกว่าเมืองเ อ, อเนนาว่าเนนาว่า นะครับอยู่ที่เมืองโมซูลประเทศอิรักปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ชายชายอะไรนะชายแม่นาม้าอะไรดัจ์ลานยอยู่อยู่ยไปิสอ่ามีประชากรเท่าไหร่ตรงนั้นนะ่ะมีอาอัลแปล ว, ว่าหนึ่งแสหนึ่งพรมีอาแปล ว, ว่าร้ออัลฟลุนแปลว่าพันพันหนึ่ง พันร้อยมาถึง 1,000 0มีประชากรเท่าไรนะห0 0 0 0 0สอาวอาจีดูนหรือมากกว่า 1,000 งแสไอ้มากกว่าหนึ่ง0เนี่ยอุลกรอธิบายมีอยู่5กับห1าห0แสสองแส0สามแส0สี่แสห้ากับแส0เจ็ด ประชากรในเมืองนี้มีประชากรเท่าไหร่นะแสนและมากกว่าอธิบายยังไงแสสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกถึงแสเจ็สอสคนเดียวรับผิดชอบประชากรเท่าไหร่ก็ประมาณแสนห้าแสนเจ็ดแสนแปดใช่หรือไม่ใช่นักกฎหมายนักการเมือง เอาความรู้มาจากไหนนี่ผมถามนงะเอามาจากไหนไอ้แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเจ็ดเนี่ยถามมาจากไหนยะฮูดีเอามาจากอัลกุรอานแต่ไม่เล่าให้ประชาชนฟังนะแทนที่ต้องขอบคุณนบีมุฮัมมัดที่อัลลอฮ์ให้ความรู้นี่ผ่านนาบีมาจนะมาอยู่ในกัมพีกุรานไม่มีใครพูด ประชากรแสนห้าหมื่นคนมีสอสอได้หนึ่งคนไม่มีใครพูดเงียบกันหมดแต่กูอญญานใยานนี้ต้องการจะจ ะ, จะอธิบายให้ฟังแหละฉันส่งนบียูนุสมาสอนศาสนาอิสลามให้เข้าใจเรื่องอัลลอฮ์เรื่องวันกิยามะมีจินตายแล้วต้องฟื้นจริงแล้วก็ต้องถูกลงโทษจริงใครี่ทรยศ ต, ต่ออัลลอ์ถูกนั่นถูกนี่คนที่อมานต่ออัลลอฮ์จะมีรางวัลอย่างนั้นอย่างนั้น ไม่มีใครก็สอนกันใช่ไหมล่ะและว้วสสวนมาทําอะไรเคยสอนเรื่องนี้ไหมสอ๊ออาจจะถามกันด้ น, นะอย่เป็นวันน้อยเราไม่แตะนะไม่มีสอนเรื่องคนให้คนรู้จักเอาล็อตเลยไม่เห็นยังครับแต่วันนี้ก็สสอนเนืเ้อสภาพเพียงไงก็แตะแอะไรเล็กกนะ็น่าก็ดูกันแล้วกันเป็นไง เ, เราไม่แตะเราแตะนบีดีกว่านะเราขัา้นเข้าขัานา้นนบีอยู่กับท่านนาบีเป็นน้องครับฉะนั้น คนที่เป็นนบีเนี่ยต้องรับผิดชอบคนอย่างน้อยเนี่ยแสนคนแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าได้ถึงแสนเจ็ดเนี่ยเด่นเด่นแล้งานใหญ่นะแต่ไม่มีใครพูดเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนบีเท่าไหร่แม่งจะนั้นอว่ า, อาลอลมอุลลามะวันนี้นะ่ะก็ต้องรับผิดชอบแทนนบีนะเหนื่อยนะมันต้องดูแลอุลลามะด้วยนะ ดูแลเขาด้วยมันเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงสุขภาพเขาเป็นยังไงต้องถามไทยเขาขอดยอะไรเขาด้วยถามดูิลยนะครับวะอัลซัลนาห์อิลามีอาติอัลฟินเอวยาซีดูนและเราได้ส่งเขาส่งนบียูนุสเนี่ยมาสอนสาศาสนาสอนเรื่องอะไรหนึ่งให้ อ่านคำภีสองให้นามาสสมให้บริจาคสี่ให้ขอดูอาห้าให้วิเคราลละห์หกให้ติดต่อกับเครือญายติเจ็ดให้ให้อภัยคนเยอะๆอิน บ, บีทุกอิน บ, บีที่มาในโลกเนี่ยมาสอนเหมือนกันหมดเลยนะหนึ่งยึดอัลลอฮ์องเดียวนะเรื่องใหญ่มากนะครับอย่าทำชีริกแล้วก็คัมภีร์ที่มีอยู่ก็ให้ อ, อ่านคัมภีร์สม่ำเสมอแล้วก็ นามนาญะขาดนมาดแบบไหนเราไม่รู้ให้ใจสะการสม่ำเสมอให้ขอดูอาสม่ำเสมอให้ยึเครืลองรอสม่ำเสมออย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองด่าพ่อแม่ตัวเองนี่บาปใหญ่มากเลยนะอรรถจะลงโทษนะลูกๆที่ทรยศกับพ่อแม่เนี่ยอรรถลงโทษนะช้าหรือไวจะ ก, ก่อนตายแน่นอนครับคนที่ทำผิด บนโลกดุญญนยาใบนี้นี่ในป็นนะัก็อัลลอจะรอลงโทษหลังตายหมดยกเว้นคนที่ตัดขาดกับเครื่องยาลงโทษให้เห็นบนดุนยานี่เลยสำนึกตัวมุสลินึกเตืออยู่ที่ปัญญาของคุณสมองคุณแต่อัลลอลลายมาพิกรุรอานน่กลัวนะทำไมอัลลอฮฺไม่รีบลงโทษทันทีทันใดอ่นะอัลลอให้สมองมาฟรีทิงกิ อิสราเชิญตามสบายเอาอัลลอฮ์ก็ได้ไม่เอาอัลลอฮ์ก็ได้ไม่เอาพ่อแม่ก็ได้ไม่เอาญาติยีน้องก็ได้ไม่เอากุรอรานไม่เอาอนบีก็ได้เชิญตามสบายแต่ฉันให้อาหารคุณกินนะฉันให้อาหารอากาศคุณหายใจฉันให้ภรรยาให้บ้านให้รถให้อะไรดุลยาจะเอาอะไรเชิญเองได้โลกโลกเดียวนะเองได้โลกเดียวนะโลกดุลยานี่โลกเดียวหลังตายแล้ว จบไม่ให้แล้วฉะนั้นอ่านทวนทุกวันอัลลอหฺมานิรอฮฺอัลลอฮ์ดูแลคนที่เอ า, าศาสนาไม่เอ า, าศาสนาใช่ไหมบนโลกดุนยาใบนี้แต่รอรหิมเนี่ยคนที่มีาศาสนาอยู่กับอัลลอฮ์น่ะเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเอาลุขึ้นนมาสวดมนต์เหนื่อยได้ไม่เหนื่อยอลุขึ้นนมาทำยุทธเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยเดินขับรถมาฟังตัมซีเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย เนื่ยมน้าผลลบนอยู่ที่ไหนนะครับอลัลลอฮ์จะให้หลังตายครับสบายใจนะห้ามลี่ยนๆอยู่กับ อ, อัลลอฮ์แล้วอัลลอ์ส่งนบีมาเนี่ยร้อยด้แสนสองมืนสี่พันกว่าคนนีนะ่มาสอนคนเป็นห่วงคนไม่อยากจะให้คนหนึ่งคนใดในตกนรกแม้สักคนเดียวนะ ว่อาอัลอสลนาฮ์อัลสลนาฮอิลามิอติอัลฟินอวยาซีดูนและเราได้ส่งนบียูนุสเนี่ยเป็นผู้สอนสาศาสนาที่เมืองนานาวเนานาว่าอยู่ใกล้เมืองโมซุลขณะนี้ในประเทศอิรักซึ่งขณะนั้นมีพลเมืองหนึ่งแสนหรือมากกว่า ไอ้มากกว่าเนี่ยบุุละมาจะประมาณนั้นนะแสนสองแสนสามแสนสี่ถึงแสนเจ็ดแปลงว่าละมาคนหนึ่งเนี่ยสอนคนได้แสนเจ็ดนะแต่ถ้ารวมรวมรว ม, รวมกันดากันหลักเหนกันนะแต่นบะีทั้งหมดนี่นะไม่เคยโกรธใครครับถูกตำหนิถูกดา่าให้อภัยยิ้มด้วยให้อภัยด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านด้วยส่งอาหารไปด้วยเห็นหน้าสลามด้วย นี่ส่งนบีมายิ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างพิเศษเลยนะญาตินบีเนี่ยดานบีนบีเห็นหน้านบียิ้มนบีให้อภัยนบีอะไรนะไปเยี่ยมที่บ้านพะรู้ว่าป่วยนะเราก็มีอาหารก็ส่งนบูร์นแพทย์แจกแจกส่งส่คนที่ดานั่นแหละเห็นยังครับนี่อัคราของนบีอัลลอฮ์ส่งมาสอนมารยาแบบนี้ส่งนบีมาสอนฮามดุลิละเอาต่อมาครับ นึงร้อยยี่สิบแปดฟาอัมานุฟามะตานะฮุมอิลัยฮินฟาอัมานุฟามะตานะฮุมอิลัอัละชากรนที่ว่าแสนกว่าคนเนี่ยต้าบ้าตัวกัน เขาจิงตับบาตัวก่อนที่ยูนุสจะออกจากประเทศแล้วนะก่อนจะลงเรือยนะตับบาตัวคือเป็นอาดาบมันมาไงนบียูนุสขออัลลอฮ์จะลงโทษพวกของฉันดื้่เหลือเกินะ่ะสอนไม่เอาสอนไม่เอาบอกว่าภายหลังจากนี้สามวันอาดาบจะมาพอครบสามวันเนี่ยอัลล์ให้ทองฟ้านี่มืดหมดเลย นบีอูนุสหนีแล้วอหนีแล้วเดี๋ยวอาซาบมาแต่ว่ปรากฏว่ประชากรตรงนั้นเนี่ยเขารวมตัวกันเอาผู้หญิงออกมาอยู่นอกบ้านเอาเด็กมาอยู่นอกบ้านมาร้องไห้ร้องโห่มกันฉันเตาบ้าตัวต่วออ้อวิ่งไปหานบีนบ อ, อูนุสในบ้านอูนุสหายไปแล้วใช่ไหมยูนุสบกว่าเนี่ยอาซาบมาแน่แต่ที่ไหนได้คนขกลับเนื้อกลับตัวกันอาซาบก็เลยไม่มานะ แล้วก็มีทก็ต้องกลับมาสอนอีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมหลังจากออกมาจากท้องปลาแล้วกลับมาสอนอีกเที่ยวหนึง่งหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้เตาบะตั ว, ตวหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์คือมาทำห้าอย่างนั่นละหนึ่งมาไรน้ำมานามาดแล้วก็มาจ่ายอากศาศมาขออุทธรมาซื้อคืน ล, ล้อมาติดต่อกับเครือญาติทินามียูนุศอนนะปฏิบัติหมดเลยพี่น้อง พอยูนุสไปอีกเที่ยวเดือนก็มาสอนไปเสริมอีกนะอัลลฮ์ชมฟาอามาน่พวกเขาเหล่านั้นได้อะไรได้อีมานเรียนรู้เรื่องอีมานปฏิบัติอีมานวางตัวดีกว่าเก่าไมไม่เคารพรูปเจวตแล้วไม่ไม่เคารพเจวตแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเหล้ายาไม่กินแล้วเบียร์ไม่ยุ่งแล้วนายขับไม่ไปแล้วบาร์ไม่เข้าแล้ว วัวโรคโควิดจะมาไม่เกี่ยวกันนะนี่แต่นิดๆอามานูพวกเขาหันมาเรียนรู้เรื่องอิมานมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างพวกเรากัานนี่คนอิมานทําไงทําตัวดีอะด่าคนก็ไม่เป็นทั้งทั้งที่ด่าเก่งจะตายไปนะแต่มันด่าไปไม่ด่ามั น, มนกลัวร้อนแหมฝ่า mano และพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หันมาศรัทธา อธิบายไงหลังจากที่อาดาบโผล่มาให้เห็นอยู่สามวันแล้วก็หายไปผลนี้ก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มกลัวอัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์เล่าเองนะฟามัตตานาหุมดังนั้นมัตตาแปลว่าเราได้ให้พวกเขานั้นรื่นเริง ม, มัตตานาแปลว่าทำให้พวกเขารื่นเริง <c oughs> คำว่าเรื่องเรื่องอธิบายยังไงให้เมียมาให้บ้านอยู่มาสมัยนี้นะให้รถมาให้ที่ดินมาให้นุ่นมานี่มาแฮปปี้กับชีวิตน่าดูเลย <S <S 1> <S 1> ในยุคก่อนจะจะมีแบบไหนเราไม่รู้อายุคเราเทียบกันแล้วกันสมตมตนะินาหุ่มและเราให้เขามีชีวิตอยู่แบบไรนะแบบสนุกสนานแบบร่าเริง ไปไหนมาไหนไ ม, มีความสุขจังเลยอรเอเดี๋ยวไปเมืองนั้นไปจังหวัดนั้นมาเมืองนี้เยี่ยมญาติคนนั้นญาติคนนี้ท่านนั้นทําบุนในที่แต่งงานโอ้ไปมาหาสูกา่กันรื่นๆๆเริงรื่นเริงกี่วันครับอีลาฮินช่วระยะหนึ่งอีลาฮินชั่วระยะหนึ่ง นี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะฉันให้ประเทศอิรักที่ชายนะชายอะไรนะชายชายชายหาดเมืองชายหาดนี่นะจุดดันจัลล่านี่นะเขาเป็นคนดีฉันก็ให้เขามีความสุขอัลลอฮ์ให้คนดีมีความสุขเนี่ยให้แบบมันไส้หรือให้แบบรัก <c oughs> ให้แบบรัก เข้าใจนะวลมามะกขาจะบายดีก็าจะบายอย่างนี้คนนี่อาจจะอธิบายคําว่าอัลลอฮ์ให้ให้แบบรากให้อย่างนี้อย่า ง, า ง, างเรามีนกเขา่าเรานกเข่านี่มาใส่กลมเนียกว่าอะไรเรากเอาเป็ดมามามามาเลี้ยงเอาไว้ในเล้าเราให้อาหารมันกินเนี่ยเราให้พ่อเความรักให้มันจเจริญตเติบและอีกแบบหนึ่งให้แบบมันใส ให้แบบมาในไส่ในให้แบบไหนอ่ะเรามีบ้านดาวนูมันเข้ามาในครัวมันวิ่งอยู่ลยทำชอนกะละมังร่วงอะไรร่วงมันสกปกนะนะทำไงดีนะแล้วก็ต้องจับมันใช่มากแต่วิธีจับมันจับแบบนิ่มๆ น, น, นะเอากงมาแล้วเอาอาหารใส่ไปในกรงเมื่อหนูมันเห็นมันรึกว่าริสกีมันน่ะเด็มันก็เข้าไปไปกินอาหาร แต่นั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรานไม่เอาสุนนะนบีอยู่แบบทศยศต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็เลี้ยงเขานะแต่เลี้ยงดับนายรู้ไหมเลี้ยงแบบมันไสเหมือนกับเราเอาอาหารให้ขยีนนะให้หนูกินเข้าใจใช่ไหมแต่นั้น อายานี้ต้องการจะเตือนว่าหลังจากเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็เลี้ยงดูเขานะมัตตนาหุมให้เขามีความสุขสำราญให้ชีวิตของเขามีความสดชื่นให้พวกเขารื่นเริงสนุกสนานอีลาฮินช่วระยะหนึ่งเท่านะั้นอย่าหลงอัลลอฮ์ให้เงินทองมาหลังจากเรามีอีมานต่ออัลลอฮ์ให้เอาไอเป็นมัตรดินร้อยได้ไอ น, นี่ยี่สิบล้าน คิดเหงาว่าระวังนะฉันให้เองคนเดียวนะในหมู่บ้านนม่มีนาะ ก, กันกี่คนกายุอย่างหมู่บ้านนี่มีกันห้าหลังมาของเขตมีมาแปดแปดร้อยครอบครัวนะมีไม่กี่ครอบครัวที่มีริสกี้เยอะนะหลายคนที่มีริสกี้เยอะๆถ้าไม่บริจาคไม่ดูแลสังคมไม่ดูแลหนึ่งไม่ดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีไม่ให้ตกนรก ไม่ดูแลมัสยิดไม่ดูแลโรงเรียนไม่ดูแลคนยากคนจนเองระวังว่าให้โลกเดียวนะหลังตาเองหมดสิทธิ์นะมันต้องนึกเราต้องนึกครับฉนั้นอายันนี้เตือนเรานะ่ะฟาอมานูพวกเขาได้อิมานต่ออ้อฟัตตาณาหุมและเราก็จึงให้พวกเขามีความสนุกรื่นเริงแฮปปี้ในชีวิต กี่วันครับอิลาให้ช่วยระยะหนึ่งเท่านั้นเองเวลาแฮปปี้เนี่ยอย่าลืมอลอได้ได้ริสกีมาแฮปปี้ใช่ไหมได้มีสาวสวยมาแฮปปี้ใช่ไหมไม่พาเมียนมาต่ะแล้วก็ตบเนีย่ยอีกถึเวลามาเวลาเนีย่ยผู้จามไม่ดีใครสอนคนอ่ะฉันก็ส่งนบีมูฮัมหมัดมามาสอนนะอยู่กับภรรยาอยู่อย่างนี้นาอย่างนี้นาอยู่อย่างนี้นาะ เวลาทําอาหารไม่อร่อยก็บอกว่าขอน้ำตาลหมอยใช่ไหมไม่ใช่กูแดดไม่ลงก็ทรงนบีมาสอนเองไม่ยึดน่ะแล้วมีอิมีอิมาลไม่ทําอะไรอ่ะใช้าคาว่าอิมาลมันต้องดูแลตัวเราเองหมดเลยโอ้เรามีความรู้ต้องสอนคนมีเงินต้องบริจาคต้องดูแลกอดความรู้เอาไว้อ่ะพาเข้าโรงอ่ะอัลลอฮฺอักบัดพาทำไมาเข้าโรง เอาศบเองเข้าโลงพอแล้วพาขาวกับดินสีห้าก้อนอะความรู้อย่าภาคไปฝากให้กับประชาชนสอนคนอะไรคนนัไ้ไหมทุ่งดาวบ้างอะไรบ้างก็ตกอดทนนี่นบีอธิบายให้เรฟังนะทีนี้ในคุณอาหาอธิบายอยายอื่น อ, อ, นอธิบายบอกว่าในมัชวรัชวรรอรอายาที่สองอห้าบอกว่าอิน ม, มนตาหน้าหุมซีนินคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ความสุขเนี่ย ร่าเริงสนุสนานกับชีวิตของเขาเนี่ยนะหลายปียกตัวอย่างนะชีวิตของเขาไม่ควายไม่มีความลำบากเลยเอาหกสิบปีเนี่ยอยู่สบายมาตลอดเลยเจ็บก็ไม่มีป่วยก็ไม่มีเงินทองก็ไม่เคยขาดไอความสุขของคุณเนี่ยช่วยคุณได้ไ้ยหลังตายเนี่ยเอาล่ะถามนะสุนมาจาอาหุมมากานูยูอาดูความสุขของคุณ หกสปีสี่สิบปีอยู่กับเงินอยู่กับภรรยาอยู่กับบ้านอยู่กับลูกอยู่กับรถอยู่กับตําแหน่งการงานอยู่กับตําแหน่งสอสอสวในสภาช่วยคุณได้ไหมเวลาอาสาบมาอย่ารอถามเอาช่วยได้ไห ม, ไมเดลช่วยไม่ได้ <c oughs> ของที่ช่วยได้อีมานตักวาญาติอิยาซ า, านกุรานสุ น, นัขนบีช่วยได้ตําแหน่งสอสอช่วยได้ไหม ใช่นี่เตือนสติเราเอ่ะเอออย่าหลงเว้ยดุจยาก็ดุจยานะยานะอย่าหลงนะอย่าหลงกับเงินอย่าหลงกับตำแหน่งอย่าหลงกั บ, ก บ, ก บ, กบรถอะไรอะรถยี่หแพงที่ญี่ปุ่นมันทำมาให้อ่ะต้องนึกนี่อรเตืนนนอนรคุณอแล้วก็เขาว่าคนกาเฟเนีเออ่ยอรเล่าใหน้นบีฟังว่มัดเอย Allah ีนั้นอัลลุฮฺผู้ที่ตั้งพาคีกับอัลลอฮฺในสุรบระกุร์อาิยาที่96อย่าวัดดูอาฮาดุฮุมอัยยุอัมมารุอัลฟาสานะคนที่ตั้งพาคีกับอัลลอฮฺในโลกนี้นะ่ะเล่าให้นายมหัดฟังมันคิดอะไรในใจพวกเขามีความอยากจะมีอายุยืนยาวอัลฟาสานะแปลว่าพันปี นี่อัลลอ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่าคนกาเฟตคนมุชริกในโลกใบนี้ในใจของพวกมันคิดอะไรมันไม่คิดถึงอัลลอ์อยู่แล้วมันไม่คิดถึงนบีหรอกมันไม่นมันจะคิดถึงคุอ่านแล้วก็แบบแผ่ถึงนบีถามว่ามันไม่จะนึกรอบมันนึกอย่างเดียวว่าทำไงให้มีอายุยาวเท่าไรวันเท e a r s ยพันปีุเราไปเปิดดูสรับบกรออายาทีหกสิบ ว่ามหวบิมุจฉะฮิฮิฮิมินะอัลอาดีอายุอัมมัดนรกเวลาคุณเข้านรกถามอายุพันปีช่วยได้ป่าวอ้าวช่วยได้ไหมไม่มีประโยชน์นะบ้านใหญ่โตก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมภรรยาสี่คนห้าคนก็ช่วยไม่ได้ อัลลอฮ์ริสกีเงินทองที่มีอยู่ช่วยไม่ได้นอกจากอามานูอีมานต่ออัลลอฮ์ตักวายะตีนอิหาซานอิคลาสยิสุนาหนาบีมาเป็นแบบถึงจะปลอดภัยกับการลงโทษใ น, ในอลัลลอฮ์ประจักษ์แล้วก็เล่าอีกนะ ว, ว่ามาย uh ูวบนนีอันหูมาลูฮูอิดาตารอดดาที่เราอ่นประจําเลยไหม ว่มาอยู่นีอันหุมาอยู่อีกต่รสเดาแปลว่าอะไรนะทรัพย์สินของพวกเขาจะไม่ช่วยเขาให้พ้นจากการลงโทษใดๆได้เมื่อเวลาเขาพบกับความผิดนา้นเห็นยงอัลลออักบารเอาอัลลอฮฺอ่านับอัลลเลาใหนบีฟังเองรมัตตานาหุมนี่นะซาเนีวัลมกาซีบนอุลินนัอมาติวะมะฮิลหุมกอลีลา มามาเอ้ยบอกให้คนกาฟเฟนอาดาคุณไปเถปอะไม่ต้องไปโต้ตอบให้พวกยกาพูวดีทําลายอิสลามไปเถอะอันนี้แตกการเมืองนะ น, นะให้ทหําลายอิรักไปเถอะทําลายคชเมียร์ไปเถอะทําลายอะไรนะประเทศอินเดียจะคชเมียร์ในอินเดียจะมากอยู่อยู่เดียมาเรารูร้ๆๆแล้วก็ทําลายลิเบียนะครับใครักกาดัฟีไปเถอะแล้วเอาน้ํามันก็นไปเถอะรัดนี้ปล่อยฉัน วัลมุกัสลีบินคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮฺปฏิเสธอัลลอฮฺและคนที่อูลินนามะสุขสําราญคนที่อยู่สบายๆไม่เคยสู้จุตเลยไม่เคยบริจาคดูแลใครเลยอยู่กับเล่ากับเบียกับผู้หญิงสวยๆเนี่ยนะอูลินนามะเจ้าสําราญนะปล่อยให้เขามีความสุขเพดเดียวกอลีลันหัมะฮิลหุมกอรีละ ประเวงเวลาให้เขาสักแพทยนึงเดี๋ยวความตายมาฉันจัดการแทนมัวหมัดทั้งหมดเลยน่าอุศบิลละนักลัวนะเอาต่อมาก้ออายะที่หนึี่สิบฟัสตัฟติฮิมอัลีรับบิกัลเบนาตุวะลห์มุลเบนูนฟัสตัฟติฮิม อัลลอฮฺรบบิคาลบรราตวและมุลบรรณนอัลลอฮฺอัลลอฮ์ลลเปลี่ยนเรื่องคุยอ่ะเราคุยเรื่องชีวิตสบายสบายมาเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่มาคุยเรื่องอกดะคืออักิดะคนอาหรับมุสริกในนครมะ ก, กาเนี่นะอักิดะเป็นอย่างงี้อัลลอฮฺใมีลูกสาว เป็นอะไรหรือเ่ามาลายกาน บ, บีนัสสอนที่มัสยิดว่ากูรูอัลลอฮ์ว่าแคอลัลลอฮมีองค์เดียวอัลลอฮุผสามารอลัลลอฮเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างลามยาลิดอลัลลอฮไม่ไม่ประสูตรวะลามยูลัตแลามไม่ถูกประสูตรไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วไม่มีลูกวะลามยาคุลละหูกูฟูดนั่นแหละไม่มีอะไรเสมอเหมือนอลัลลอฮแต่ที่บ้านนสสอนอีกอยามนึง อัลลอฮ์มีลูกลูกสาวเป็นอะไรเป็นมาลายิกาเอาสิความรู้มันเป็นยังไงมึงสอนตลอดไปไปนะในมักกะเนี่ยแล้วคนที่เชื่อนบีก็มีไหมมีเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, ม, นมากเกินไอคนที่ปฏิเสธนบีมีไหมมีมันก็สอนอย่างนี้แหละอัลลอฮ์มีลูกเว้ยลูกสาวอัลลอฮ์ะนะเป็นเป็นมาลายิกาอ้าวเถียมกันอัลลอฮ์เนี่ยนบีไม่รู้นะนี่อัลลอฮ์ล่าให้นบีฟัง ฟัฟติเฮมเพราะฉะนั้นฟาบอเพราะฉะนั้นิสติมจงถามพวกเขาฟาตวมาจฟาตัวจงถามพวกเขาถามคนอาหรับมุชลิคในนครมักกะนายาต์น บ, บีทั้งหมดนั่นแหละถามพวกเขาว่าไงนะอ้าอ้าเป็นอ้าเป็นคำถามพระผู้อภิบาลของเจ้าบานาธ มีลูกสาวหลายคนหรือให้นบีเนี่ยไปถามญาตินองของนบีที่เป็นผู้กับเจเวิตนะกับเจเวิตนะเข้าใจนะไปถามก็ว่าอัลลอ์เนี่ยมีลูกสาวหรือทั้งที่ลูกสาวผู้เองก็ไม่ต้องการด้วยเวลาภรรยาคลอดลูกออกมา พอเป็นลูกสาวลูกผู้หญิงหน้าดำกันหมดเลยแล้วก็ค่าลูกสาวทั้งเป็นมีเปล่ามีอยากได้ลูกผู้ชายกันหมดเลยนี่เป็นความเชื่อของคนอาหรับอินเดียก็เอามาใช้คนจีนก็เอามาใช้ลูกหัวปีต้องเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไม่เอาแต่ย า, าติย่าท่านอัลลอ์มีลูกผู้หญิงอัลลอฮ์ให้นบีประกาศว่าอัลลอฮ์ไม่มีลูกนาะ นี่เป็นคำพูดที่อลัลลอฮ์โกรธมากครับใครที่พูดว่าอาลัลลอฮ์มีลูกสาวเป็นมาไลกันอลัลลอฮ์โกรธนะแต่อลัลลอฮ์ทำลายไหมไม่ทำลายให้อยู่ไปใหอยู่ไปท่านอยู่ไปเอาบ้านไปเอารถไปเอาตัดที่ดินไปเอาไปให้หมด <c oughs> แล้วก็ถามอีกว่าแลหูมุลบานูและพวกเขามีลูกชายหลายคนกัน น, นั่นหรือให้อัลลอฮ์นั้นมีลูกผู้หญิงเป็นมาไลกะ แล้วพวกคุณเนี่ยอยากได้ลูกผู้ชายใช่ไหมอันนี้อลรถาภิริย์ต้องการจะเล่าว่าอาร์กิไดความเชื่อของลูกคนอาหรับรุ่นก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาต้อ ง, ต, องต้องมีลูกผู้ชายถึงจะสร้างอะไรนะครอบครัวให้มันจเจริญก้าวหน้าถ้าลูกผู้หญิงเนี่ยไม่จเจริญหรอกเพราะสมัยก่อนนะเขาขายลูกผู้หญิงกันใช่ไหม ล, ล่ะเราฆ่าลูกผู้หญิงกัน ไม่อยากจะให้มีครอบครัวมีลูกผู้หญิงแต่น บ, บีเนี่ยมาสอนโอ้มีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนะ่ะเอาน้อกําหนดมาไม่ใช่ลูกผู้ชายจะทําให้อิสลามจเจริญทำว่าน บ, บาีประมาทมีลูกผู้ชายตายหมดใช่ไหมตายหมดแล้วลูกผู้หญิงน บ, บีมีแต่หญิงคัดียะไม่ใช่สิฟาติมาและใครคนนึงไซนับลูกไก่สามคนใช่ไหม แล้วก็ลูกลูกสาวนาบีเนะี่ยมีชื่อหมดเลยนะลูกผู้ชายนาบีไม่มีอลัลลอฮ์ให้ลูกนบีผู้ชายตายหมดนะให้พวกนี้มันมองเห็นนะมันยังนึกกระไรไม่ออกอยู่ไงจะนั่นใครที่พูดว่าอลัลลอฮ์มีลูกเนี่ยระวังเอาวันนี้อลัลลอฮ์มีลูกศาสนาไหนสอนสัคริสลูกอลัลลอฮ์ใครนบีอะไรไอซาอันใดิสลาอัลลอฮ์กลัวเปล่าทำไมอลัลลอฮ์ให้อยู่อ่ะ เอาไปอเมริกาท่างประเทศเลยแล้วก็ผมนั่นมีคนก็ส่งคลิปมาเนะี่ยประเทศที่มีนั่นน่ะการพงันที่ดังที่สุดในโลกประเทศม่ใมุสลิมประเทศคริสเตียนแล้วก็ประเทศที่มีหญิงโสเพณีมากที่สุดประเทศพุทธประเทศไทยให้ไหมเอาแต่สองสองประเทศทอ อิสลามไม่มีใคร ค, ครุม ค, ครองอัลลอฮ์คุมครองอ่ะไม่เห็นงั้นครับแล้วมุสลิมทุกคนน่ะกล้าทาําดีน่าหรอกล้าดื่มเหล้าอะ่ะกล้าเข้าบาร์หรอคนที่มีอิมานต่อรอไม่มีใครกล้าทําผนะิดน่ะไอ้คนที่ทําผิดแต่คุตาบ้าอไอ้บรรทุกไอ้ตาบ้าตัวต่อรอนะอย่าทําผิดนะให้เรียบตาบาตัวภายใน 6ชั่วโมงนะโ oh, อ้ก็สอนกันมาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในโลกใบนี้นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะ่ะจะเป็นอะไรฆ่ากันก็ดี ی, ประเทศไหนประเทศค ร, ริสเตียนหมดเลยครับแต่แค่นี้พอนนะการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะฟาสตัฟติหิมอัลีรบบิกลบานาตัวละหุมุลบาโนเพราะฉะนั้น ออลบอกเมื่ามาถึงจงถามผู้ไ ม, ม่ศรัทธาเถิดว่าพระผู้อาภิบาลของเจ้าน่มีลูกสาวหลายคนและพวกคุณมีลูกชายกันนั่นหรือต้องการจะแชร์อากิดาของคนเหล่านี้ใส่ร้ายว่าออลมีลูกสาวแล้วคุณอยากได้ลูกผู้ชายใช่ะต่อมาครับให้เอาหลักฐานมาให้เอามาโชว์ วาลารอมต้องการลูกผู้หญิงอาละอมไม่ต้องการอะอาล้อมไม่เง า, าอ่ะอาล้อมไม่นอนด้วยอาล้อมไม่ง่วงนอนด้วยไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่มีเมียก็ไม่มีลูกเห็นไหมอาโลคนที่โทรศัพท์มาหาผมนะ่ะเยอะจะแต่งงานมาสิปีแลไม่มีลูกเมื่อวานก็หลานก็มาลุงลช่วยขออนุญาตให้น้อย แต่น้ามาหลายปีไม่มีลูกเหรอใช่ไหมอ่ะเงาอ่ะฉันมีลูกมีหลานเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงนะแต่อย่าลืมนะมีลูกมีหลานจะ ต, ต้องมีศาสนาด้วยนะถึงมันจะสุขภาพแข็งแรงเอาต่อมาอายาที่150อ้าสอัมคาระกนัลมาลาอิกะตา อ, อนาซาวะหุมชาฮิดูน อัม خلق ์นั้มาลาอิกะต้าอินาซาวะุมชา ا ه د ุนอัลลอฮฺอักบัตอัมเนี่ยเราตั้งคำถามคนที่ใส่ร้ายว่าอัลลอฮสร้างมลาอิกามาเป็นลูกผู้หญิงอัลลอฮเนี่ยนะเราถามอย่างนี้ <أ م. S 1> ขอลักนั้มาลาอิกะตาเราเนี่ยได้สร้างมลาอิกาขึ้นมา ตัวนี้ความรู้นะเมื่การเนี่ยสร้างมาจากอะไรรัศมีอาดัมสร้างมาจากดินมีพ่อไหมไม่มีมีแม่ไหมไม่มีสร้างตัวเฮวาวาเนี่ยมาจากซิโคงอาดัมผ่านใครผ่านพ่อแม่มีไหมไม่มีสร้างนาบีอีสาผ่านแม่พ่อมีไหมไม่มีแล้วสร้างโพราวานันนี้มีพ่อมีแม่ ความสามารถของใครของอัลลอฮ์พอมาเจอพระเยซูครับมองเป็นพระเยซูเป็นลูกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไปแล้วนี่ผิดความจริงมังตอมองอาดามเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นพระเจ้าน่ะพ่อไม่มีพ่อไม่มีแม่มันต้องศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะหรือมองต่อฮาวองเป็นพระเจ้าก็ได้เพราะว่าผ่านพ่อไม่ผ่านแม่แต่ที่ไหนได้ เรตะกาตการจะให้นบีมาสอนผิดทั้งหมดอาดัมฉันสร้างมาจากดินโตฮา ว, วาฉันสร้างมาจากสีโครงอาดัมผ่านพ่อนบีอิมซาผ่านแม่และพวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่แต่ไม่แต่งไปเจอคดีเอาเองกันก็นอนเตี้ยมั <laughs> อัมขอลักนัลมาไดกตัตา อ, อนาซาอัมได้ว่ารู้ว่า เราได้สร้างมาลาอิกาเป็นเพศหญิงอ่วาวฮุมชาฮิดูและพวกเขาเป็นพยานรู้เห็นตอนที่จะสร้างมาลาอิกามาจากรัศมีนะ่ะคนที่ปฏิเสธว่าเป็นลูกสาวอลัลลอนนะ์น่ะตอนฉันสร้างมาลาอิกามานะ่ะคุณเป็นพยานหรือเปล่าโอ้โหดาหดา่าผูชมเนี่ย ดาคุณอยู่ที่ไหนวันนั้นน่ะฉันสร้างมาลัยกามากรคนคนที่สร้างหลังสุดแล้วมาโตกับลอเองอ่ะร อ, ออากรวดตอนที้ฉันสร้างมาลกยกามาจากรัศมีน่ะคุณเป็นพยานเห็นเลยนะว่าฉันสร้างเนี่ยลูกมาลกยกามาเป็นลูกสาวฉันน่ะคุณเป็นพยานรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเดีย๋ยววันเกดมาลอจะถา ม, มา จะเล่ามนาบีคนมาถามคนอาดับมุชลิกสิตอนที่ฉันสร้างมาเลกล้ามาเนี่ยพอเป็นลูกผู้หญิงของฉันเนี่ยนะคุณรู้เนี่ยในเหตุการณ์รู้เปล่าคนอยู่ในเหตุการณ์เปล่าคุณเห็นเปล่าแล้วเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นปากแขนงนะพวกเนี่ยเราต่อมาครับทีนี้ข้าว่ า, าชาฮิดูนหรือซาฮิดีนผู้ที่เป็นพยาน เราเนี่อัลลอ์จะจับเป็นพยานนะอุมมานาบี ม, มุ h ั m ทุกคนเนี่ยที่อิมานต่ออัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์จะให้เป็นพยานในวันเกียมาเตรียมตัวไปด้วยมุมัดมาสอนสาศาสนาให้กับบุคุณบบาว ม, ม, มุดสอนอะไรต้องตอบนะฉันไม่รู้นรก ถ้าจะรู้ว่ามุฮัมมัดมาไม่เคยเห็นหน้านาบีก็จริงแต่ฉันได้ยินฉันได้รู้จากคำพิกลาที่นบีนํามาให้เนี่ว่าอัลลอฮ์ไม่องเดียวนี่ยอัลลอฮ์จะถามพวกเราทุกคนเป็นพยานยืนยันว่านาบีมุัดนั่นเป็นนบีของอัลลอฮ์ o al, จริงเริ่มทางตะกูโบเลยมไม่ใช่เหรอใช่หรือไม่ใช่นอนอยู่ในกูโบพอฝังเสร็จพอญาดอยู่น้องเดินกับ ให้มัลเกามาถามแล้วมารอบบูกะใครเป็นนบีของคุณรู้จักนบีมุฮัมมัดไหมรู้จักบุรอานไหมล้วรู้มาจากไหนรู้มจากนบีมุฮัมมัดสอนนะฉะนั้นเราจะต้องเป็นพย า, ยานถูกจับให้เป็นพย า, ยานถามว่ารู้จักนบีมุฮัมมัดเปล่าอันคนที่แอนตี้สุนนนะนบีต้องเลิกแล้วนะวันนี้นะเลิกให้หมดพยายามเดินตามสุนนะนบีสุนนะนบีสุนนะนบี อตะกับยานที่หนึ่งรยห้าสิบเอ็ดอลอ ahoma มินอิฟกิหลยกูลอลอน ahoma มิอกหลยกูลอลาว่า บัดนี้จงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอินนาฮุมแท้จริงพวกเขานั้นมินอิฟกิฮิมเป็นส่วนหนึ่งที่ปั้นความเท็จขึ้นมาอิฟกุมแปลว่าปั้นความเท็จพูดเรื่องเท็จมันคนที่พูดเท็จพูดไม่จริง ที่ออกมาจากปากของมนุษย์ทุกคนนั้นถูกบันทึกทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะการการเป็นมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ที่ท่นดูอาที่เราออกไปจากปากเราจะเป็นสุรฟ้าทช่ที่อ่านในนามาดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ดูอานสุบฮานรัลบิยลอาลาตอนสุญูด ต, ตอนรูปัวที่ออกจากปากเรามีรางวัลหมดและตรงกันข้ามคนที่ดาอัลลอ์ก็มีโทษหมดไม่ใช่ธรรมดาครับ ด่าลูกก็ไม่โทษอ่ะคุณได้สั่งว่าอย่าด่าเนี่ยอย่าด่าลูกแลก้วก็ลูกๆก็อย่าด่าตวาดพ่อแม่ไม่ได้เลยพูดอู้ยังไม่ได้เลยน่ะทำไมจะสั่งอ่ะสั่ ง, งยายาทำนาะยาทำนาะพาะมนุษย์เนะี่ยเป็นมัคลูกที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่ามนุษย์ไม่มีแล้วเราลืมมัออักบัต ฉะนั้น ada innahum min ifkihim layakulun บัดนี้แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งแห่งการปั้นเท็จของพวกเขาที่กล่าวรายากูลูนที่พวกเขาพูดที่พวกเขากล่าวร้าในเรื่องของอัลลอฮ์ในทางผิดๆนั้นมีโทษครับบันทึกทั้งหมด อัลลอฮฺอักบรขนาดนึกในใจใช่ไหมนบีอะไรนบียูนุสนึกในใจนึกว่างไงอัลลอไม่ทำให้ฉันพบกับปัญหาต้องลงอยู่ในทองปลาอัลลอยังเล่าให้นบีฟังเลยนะมันคิดผิดนะฉะ <c oughs> นั้นคิดดีอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็พูดดีอย่างเดียวไม่พูดนั่ ง, น, งนิ่งดีกว่าเราอะไรที่ออกมาจากปากเราต้อง อัลล์ต้องมีรางวัลตอบแ ท, ทนจากอัลลอ์พูดแล้วต้องคนฟังสบายใจ Allah. อัลลอ์อัละ์อัลฮัมดุลิลลา์อายะสุดท้ายกับวะลาดัลลอฮว่าอินนุมลกาดิบุนวะลาดัลลอฮ ว, ว, ว่าอินนาหุมละกาดีบุญว่าละดอโลแป ل ว่าลูกของอัลลอฮ์คนกาฟตคนมุชริกพูดว่ามลาอิกาเป็นลูกอัลลอฮ์หรือนบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์ว่าอินนาหุมละกาดีบَุพวกเขาพูดก็หก เอานะน่าแตกยังใครที่พูดว่ามาลิกาเป็นลูกอัลลอฮ์ดบิอีสซาลูกอัลลอฮ์พูดจริงหรือพูดเท็จว่าอินนาฮุมละกาดิบูนเขาพูดโกหกใส่รายอัลลอฮ์สุบฮานหุบววตาดาอ่านเอาเรื่องไหมไปไปแค่นั้นอย่า เอาอะไรออกจากปากเราให้ออกจากปากแท้บ้างอะไรเธอปากแม่เขาปากหมูออกจากคนได้ยังไงในเมื่อคนเป็นมักคโลกเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดอั น, น บ, บีมหามันนะถูกขว้างโดยหินใช่ไหมถูกด่าใช่ไหมถูกไล่เจริญต่ออีกน บ, บีด่าบา่าอั น, นั้นบุคคลตัวอย่างเห็นยังครับ สนาอมัตนะภรยานบนบนบนบนท่านนั่งนั่งไรนั่งยิม้มเอามาจากไหนอ่ะทำไมไม่ด่ากลับไปล่ะก็ท่านกคนึกนะโอภรยาเรามีความดีทั้งสียอย่างอนะ่ะต่างคันแทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันซักเสื้อผ้าให้ฉันใสจัดอาหารให้ฉันกินคขนิบนะก็ไม่กล้าด่าต่อว่าเขากลัวจะถูกบันทึก เนี่ยพอเราอ่านกูอ่า น, านแล้วเอาประวัตนะิของบรรดานาบีของบรรดาสุฮาบะต์แต่ละคนแต่ละคนเอามาอะไรนะเอามาศาึกษาแล้วก็ประคองตัวเองให้ดีไปน้องครับรางวัลจะลอยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับอานารย์กูอ่านนี่เตือนเรานะอย่าให้หลงตัวเองว่าฉันแน่อาจารยอิสลามนะทั้งบบนี่สอนให้เรานอบนอบ้อมทอมตนต่อร้องแล้วก็มองนาบีเป็นแบบแล้วมองสุฮาบะต์นาบี อยากเอาคำพูดของเราแม่แต่คำเดียวออกจากปากของเราในทางที่ทาให้อัลลอฮ์ต้องโกรธนึ่งเอากรอนสรุปกอรูนอันลลอ์ให้แผ่นดินสู่เพราะพูดใช่ไหมพูดว่าไงฉันรวยแล้วก็คนที่ทำมาฉันรวยมาใช่อื่นฉันรวยเองสติปัญญาของฉันเองความรู้เองเองพูดผิดแต่เป็นไงครับ ไปขวางอิสลามน บ, บีมูซ่าพามาเอาล็อกให้แผ่นดินสูบเห็นยังคกันพ่อพูดนะพูดด้วยทําด้วย2องอย่างเนี่ยหนักนะเอากอรูนก็นมากันฮามานอีกแหละแล้วก็ฟิลโอนอี่แหละ Allah Allah. อัลลาอัฮดฟิลโอนี่ขึ้นไปบนอะไรนะหอหอคอยใช่ไหมที่กอรูนสร้างใช่ไหมะนะ่ะ พอขึ้นไปข้างบนสูงสุดในยุคนั้นสูงสุดแล้วนะก็ลงมาฉันไม่พบพระเจ้าอ่อาวันเนี้มีประเทศอะไรประเทศดูไบะจะส่งจ้รวดขึ้นไปท่องเที่ยวในโลกดาวอวคาดประเทศมุสลิมส่งไปเรายังไว้ใจนิดนึงนะแต่รัสเซียนส่งไปแล้วลงมาบอกไม่พบพระเจ้าเอ็นตะกับบุน์น่ะ อร่อยยัให้อยู่นะเอาไปเอาชื่อเสียงโด่งดังไปคนรู้จักหมดเลยนะแต่เอ็งตายเมื่อไรเอ็งเจอแัดงเวลาทําอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยต้องอะไรต้องสุญูดแบบน บ, บีสุลัยมานเดินอยู่ในป่ามดสัง่งพี่น้องเอ้ยเข้ารู้ให้หมดน บ, บีสุลัยมานกำลังเดินมาพร้อมกับทหารเดี๋ยวจะเหยียบคนตายอ่ะ บิสเลมานรู้ ข, อขอับขยายภาษาหมดสุยูต่ออัลลอฮ์เลยอ่ะนี่เป็นบุคคลตัวอย่างถ้าไม่เอาตัวอย่างนี้มาใช้ในชีวิตนบิสุลมานมีพระยาอีกคนนึ่งชื่ออะไรนะชื่อบิลกิตใช่ไหมใช่ปะอ่ามารับอิสลามอ่ะเป็นพราเชเนียแล้วก็ไปหายังไงไปห า, ปหาเดือนละครั้งอ่ะบินมีมมมบินสมัยก่อนเรื่องบินไมมีแต่อัลลอ์จัดให้น่ะเดือนละคั้งไปเยี่ยมพระยา อิสลามมะกรอนเนี่ยกาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เลยผิดหมดเลยอัลลอ์ก็ ส, ส่งุลมานมาสอนเพื่อให้ไปสวายของอลัลลอฮ์เนี้หมดเวลากสุพานกอหุมาิัมดิรสวลอีเออลเล่ออัสตะกูรกวตบอลาะหมอบ้าน